สวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่น้องเราร้องเพลงด้วยกันไปแล้วพี่น้องยังไม่ง่วงใช่ไหมคะอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหลับนะคะเรามาตื่นด้วยกันก่อนนะคะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมันสการพระเจ้าร่วมกันเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเราก็ได้อ่านพระเจ้าของพระเจ้าสลับกัน ในเวลานี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าพระคัมภี์ที่เราได้อ่านสลับกันไปนั้นให้ข้อคิดให้คํำนุนใจสําหรับชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะฟังพระคําของพระเจ้าอยากจะนําเราที่จะอธิษฐานขอการทสนันจากพระเจ้าด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะสรรรุกรันก็แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนําชีวิตของขราไปร้องไาย ได้เข้ามาเพื่อที่จะฟังพระคำของพระเจ้าในเวลานี้ขอทรงอวยพรขอทรงโปรดที่จะเปิดตาใจฝ่จิตวิญญาณเพื่อที่จะเข้าใจในพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้าและเพื่อจะได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจะเปิดเผยร่วมกันในบ่ายวันนี้พระบิดาเจ้าฝากบ่วมช่วงเวลาลังนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพ ร, าพระเยซูคริสต์เจ้าเเมน พี่น้องคะข้าพเจ้าตั้งหัวข้อว่ามองเห็นทางนะคะเดือนนี้เนี่ยเราเป็นเดือนแห่งการสำรวจตัวเองใช่คะสำรวจชีวิตสำรวจตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตยังไงบ้างชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นจึงอยากจะให้เรามาสำรวจนะคะชีวิตของเราสายตาของเรานะคะว่าเราเนี่ยมองเห็นเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราหรือเปล่าพระธรรม กันดารวิถีบทที่14เป็นพระคำที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าใจบทที่14เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาบทที่13ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะคะอยากให้เราได้เปิดในกันดานวิถีบทที่13นะคะดูด้วยดูไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันพี่น้องคะพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงชีวิตของชนชาติอิสราเอล นะคะว่าตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาเนี่ยพระเจ้าทรงนําพวกเขาตลอดมาตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะ430ปีอยู่ในอียิปต์พระเจ้าดูแลตลอดแม้ว่าประสบกับปัญหาประสบกับความทุกข์ยากลําบากพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้านําในอียิปต์ก็นํานําออกมาจากอียิปต์นาข้ามผ่านแม่น้ําจอแดนนะคะแล้วก็นําเข้าในถิ่นระกันดานเป็นเวลา40ปี และณเวลานี้ถึงเวลาแล้วและที่พวกเขาจะต้องเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธรรสัญญาของพระเจ้าก็คือแผ่นดินคนาอันบทที่13เนี่ยได้บอกกับเรานะคะว่าก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินนั้นเนี่ยโมเสสซึ่งเป็นผู้นำก็ได้คัดเลือกนะคะคน12คนจาก12เผ่าเผ่าละหนึ่งคนนะคะว่าให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของอิสราเอลทั้งหมด เพื่อจะเข้าไปสอดแนมแผ่นดินคาณาอันแผ่นดินนั้นอันนี้เป็นความรอบคอบของผู้นำใช่ไหมคะว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการสอดแนมก่อนไม่ใช่ว่าสุม 4, สี่มหเข้าไปอาจจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคก็ได้แต่ว่าโมเสสเลือกคน12คนเข้าไปนะคะจาก12เผ่าพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะคะว่าทั้ง12คนที่เข้าไปสอดแนมเนี่ยไปสอดแนมถึง40วันพอกลับมาจากการสอดแนมแล้ว สิบสองคนได้พูดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์มีน้ำนมและก็น้ำพึ่งไหลบริบูรณ์พระกัมภีร์บอกไว้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยตัดพวององุ่นมาหนึ่งพวงซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพวององุ่นพวงนี้ก็คือต้องใช้สองคนเนี่ยหามพี่น้องจินตนาการดูนะคะว่าอา ง, งุ่นพวงเดียวอะ่ะแต่สองคนต้องหามแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ดีจริง อุดมสมบูรณ์มากๆเราเปรียบเทียบปัจจุบันนะคะไปะซื้ออ ง, งินที่ร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าพวงหนึ่งเราเหิ้วสองยูนใช่ไหมคะเราเหิ้วแค่นี้เราเหิ้วได้แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้สองคนหามแสดงว่ามันดีจริงๆนะคะดังนั้นพวกเขาจึงบอกว่าแผ่นดินเนี่ยดีมากๆอุดมสมบูรณ์มีน้ำมมมีน้ำผึ้งแล้วก็ไหลบริบูรณ์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันของ12คนนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันของ12คนก็คือมี10บคน บอกว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยมีกําลังมากนะบ้านเมืองเนี่ยใหญ่โตมากและก็มีกําแพงล้อมรอบด้วยพวกเราเนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้แน่นอนในสายตาของพวกเราเนี่ยเราเป็นเหมือนกับตั ก, กแตนโมในสายตาของเขาก็เช่นเดียวกันนะอันนี้คือคําพูดของคนสอดแนมสิบคนที่ได้พูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงเริ่มถอดใจ แล้วก็ร้องลั่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มบ่นต่อว่าโมเสสกับอาโรนนะคะในการนาวิถีบทที่14ที่เราอ่านไปข้อแรกได้บอกว่าและชุมนุมชนนั้นเนี่ยก็ร้องลั่นขึ้นมาและก็ประชาชนก็ร้องไห้ในคืนวันนั้นในข้อ2ข้อสาประชาชนได้บ่นต่อโมเสสกับอาโรนนะคะว่าให้เราตายเสียที่อียิปตหรือว่าให้ตายที่ถิ่นละกันดา น, นี้ก็ยังดีกว่าพระเจ้านําเราเข้ามาประเทศนี้ให้ตายที่คมดาบ คมกบี่ทำไมเล่าลูกเมียของเราเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อเราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือพี่น้องเป็นเหมือนกับชนชาติอิสราเอลไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเป็นยังไงเราเป็นเหมือนกับพวกเขาไหมนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเราแก้ไขไม่ได้เราทำยังไงอิสราเอลเจอปัญหาแก้ไขไม่ได้พวกเขาเริ่มบน่นต่อว่าผู้นา แล้วก็คิดย้อนไปถึงอดีตว่าความจริงเนี่ยอยู่ในอียิปต์มันก็ดีอยู่แล้วแม้ว่าจะต้องทำงานหนักแต่ว่าก็ปลอดภัยน ะ, ะมีนกมีอาหารมีอะไรให้กินตลอดเวลาไม่ต้องมาสู้รบไม่ต้องมาเจอกับคมดาบหรือว่าคมหอกอะไรอิสราเอลเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราล่ะคะพี่น้องเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในความเป็นจริงนะคะชนชาติอิสราเอลน่าจะขอบคุณพระเจ้ามากกว่านะคะเพราะว่า แผ่นดินขานาอันเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานให้กับชนชาติอิสราเอลตั้งแต่พระเจ้าเริ่มเรียกอับราฮัมประถมะการบทที่สิบสองข้อหนึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าทรงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ ดินแดนที่พระเจ้าจะบอกให้อับราฮามรู้ก็คือดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนแห่งพระสัญญาและณเวลานี้เนี่ยอิสราเอลเข้ามาถึงแล้วและกําลังจะออกไปกําลังจะก้าวไปกําลังจะเข้าไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่เขากลับให้ปัญหาให้อุปสรรคให้คนที่ใหญ่โตเนี่ยมันมีอํานาจมากกว่าพระเจ้ามาบดบังเส้นทางที่พระเจ้าทรงจัดเกลียยไว้กับพวกเขาพวกเขาจึงมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าเลย พวกเขามองว่าคนมีกําลังมากคนตัวใหญ่กําแพงเมืองล้อมรอบเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาพี่น้องคะสําหรับเราล่ะคะถ้าเราเจอคนตัวใหญ่กว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคปัญหาหรือเปล่าเรามองเห็นกําแพงสูงเราคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าเมื่อเรามองเห็นอุปสรรคปัญหาเรามองยังไงเรามองอุปสรรคปัญหาเป็นปัญหา เราก็จะมองแต่เป็นปัญหาแบบนั้นเราก็จะอยู่แบบนั้นแล้วก็จะไม่ก้าวต่อไปได้แต่ถ้าเรามองอุปสรรคปัญหาเป็นบทเรียนจะให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าพระเจ้าก็จะนําเราต่อไปมนุษย์กับพระเจ้ามักจะมองไม่เหมือนกันนะมนุษย์เรามองเพียงแค่ภายนอกเพียงแค่ความฉาบช่วยเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าสอนเรามากกว่านั้นใช่ไหมคะพระเจ้าสอนเราว่าให้เราเนี่ยมองสิ่งที่อยู่ข้างใน อย่ามองข้างนอกเพราะว่าข้างนอกน่ยมันมีความไม่จีรังไม่ยั่งยืนปรออยู่นะเรามองเห็นความสวยเรามองเห็นความหล่อข้าพเจ้าเคยถามนะคะเพื่อนๆที่ในโรงพยาบาลว่าเวลาผู้หญิงมองผู้ชายหรือเวลาผู้ชายมองผู้หญิงเนี่ยเรามองยังไงบ้างนะหลายคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายมองผู้หญิงก็คือมองสวยนะฮะมองผู้หญิงสวยที่น่ามองผู้ชายมองผู้หญิงสวยน่ามองผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะเรามองผู้ชายแล้วก็คือมองผู้ชายที่หล่อ หน้ า, นาตาดีหุ่นสมาร์ทหน้ามอกเราก็จะมองเช่นนั้นนะคะแต่พระเจ้ากำลังบอกกับเราพระเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยมองในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยมองมาก่อนพระธรรม 1, Samuel, หนึ่งซามเอลบทที่16ข้อที่7ได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้ า, าพระพเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ซามโมเอลเนี่ยกำลังจะไปเจิมตั้งกษัตริย์ดาวิดแต่ว่ามองลูกคนแรกๆของเจสซีแล้วเห็นความสูงความส ง, ง่าของร่างกายก็คิดว่าคนเนี้ยต้องเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แน่นอนนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พอกลับมาเจอดาวิดเป็น เด็กตัวเล็กๆที่มีผิวแดงหน้าตาสะสวยนะครับพระกัมพีบอกไว้เช่นนั้นและพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าทรงเสริมตั้งคนนี้พี่น้องคะเราต้องมองในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เรามองอย่ามองเพียงแค่รูปร่างภายนอกอย่ามองเพียงแค่ความฉาบฉวยเท่านั้นแต่เราต้องมองลึกๆเข้าไปในจิตใจดังนั้นคะ่ะบ่ายวันนี้จะทํำยังไงดีที่เราจะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้า เราลองมาสำรวจตัวเราเองนะคะวันนี้ข้าเจ้ามีคําตอบให้กับพี่น้องอยู่สาประการด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราเราต้องทําอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งค่ะเราต้องถ่อมใจนะคะประการที่หนึ่งเราต้องถ่อมใจพระธรรมโรมบทที่สิบสอข้อ16ได้กล่าวไว้นะคะว่าจงถ่อมใจลงยอมทําการต่ํา อย่าถือว่าตัวฉลาดพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ได้กล่าวไว้นะคะว่าคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อการด้วยความรักถ้าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าให้กับเราจริงๆประการแรกสำคัญก็กคือความถ่อมใจเพราะว่าความถ่อมใจเนี่ยถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสาหรับมนุษย์ทุกๆคน และโดยเฉพาะเราะะซึ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยแต่ว่ามนุษย์เรานะคะมักจะโอ้อวดใช่ไหมคะมักจะโอ้อวดยกย่องตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่แข็งกระด้างซึ่งบางครั้งเราดําเนินชีวิตเราทําอะไรสําเร็จเนี่ยเราก็มักว่าจะโอ้อวดว่าอันนั้นเป็นความสามารถของเราเองเราให้เกียรติตัวเราเรายกย่องตัวเราแล้วก็มีจิตใจที่แข่งกระด้างมองข้ามพระเจ้าไป พี่น้องคะถ้าเราจิตใ จ, จ, จ, จของเรายังแข็งกระด้างอยู่เนี่ยหรือว่าโอ้อวดตนเองเราก็ไม่ต่างอะไรกับชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมองเห็นพระเจ้าเพียงแค่ฟังสิบคนมาบอกว่าเฮ้ยเมืองนั้นเนี่ยคนมือตัวใหญ่กำแพงสูงล้อมรอบเลยเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเราเป็นเหมือนตะกะแตนโมในสายตาของเขาเราทาอะไรไม่ได้แน่นอนได้ฟังเพียงแค่นี้พี่น้องคะชนชาติอิสราเอลก็ถอนใจแล้ว แล้วก็เริ่มบน่นเริ่มต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งคิดว่าจะตั้งคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นาแล้วก็นำเขาเนี่ยกลับไปที่อียิปจะดีกว่านะคะนี่คืออิสราเอลไม่ถ่อมใจของตัวเองลงนะคะแล้วคิดที่จะทำตามใจของตัวเองพี่น้องคะในความเป็นจริงเนี่ยตลอดทั้งชีวิตของอิสราเอลเนี่ยพวกเขาได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายนะคะตั้งแต่พระเจ้าเริ่มที่จะเรียกอับราฮัม มาถึงอิสอักมาถึงยาโคบมาถึงโยเซฟพวกเขาอยู่ในอียิปตลอด430ปีตลอด40ปีทินทุรกันดานพวกเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายอยู่ในอียิปพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอยู่ในทินทุรกันดารมีอาหารที่ทานโดยที่ไม่ได้ขัดสนอะไรอยากเนื้อพระเจ้าประทานเนื้อให้อยากน้ําพระเจ้าประทานน้ําให้ต้องการอะไรพระเจ้าประทานให้กับพวกเขาทุกอย่าง แต่พวกเขากลับมองไม่เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าและก็มักจะ บ, บ่นต่อว่าพระเจ้าจะตลอดเวลาและในเวลานี้พวกเขาให้อุปสรรคปัญหามันบังตาจนมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้นะคะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยพระเจ้าจะให้กับพวกเขาจะให้ตั้งแต่อับราฮัมต่อไปจนถึงลูกหลานเลนหลดของอับราฮัมและเวลานี้พวกเขากําลังจะก้าวเข้าไปในแผ่นดินนี้แล้วแต่อุปสรรคปัญหา คนตัวใหญ่กำแพงเมืองสูงกลับบังตาพวกเขาพี่น้องคะถ้าเราไม่ถ่อมใจของเราลงเราก็จะมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าแต่เมื่อเราถ่อมใจลงนะคะเหมือนกับโยชูวาและก็คาเล็บซึ่งเป็นสองคนในสิบคนสบองคนเนี่ยที่เข้าไปสอดแนมโยชูวากับคาเล็บได้กล่าวกับอิสราเอลทั้งหมดนะคะในกันดาวิถีบทที่14ข้อ7ถึงข้อนะคะเขาได้บอกว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูตลอดนั้นเนี่ย เป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระเจ้าผาวาไทัยในพวกเราเพราะองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึง่งไหลบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้พวกเรากระโดต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมของเราแล้วร่วมฤทธิ์ของเขาก็สวนไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลย พี่น้องคะโยชูวากับคาเลฟนะคะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาถ่อมใจลงและก็รู้ว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้จะให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วเราล่ะคะเราถ่อมใจของเรามากขนาดไหนเราพอจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าประทานให้กับเราขนาดไหนพระธรรมเศษฟันยาบทที่สองข้อสาได้กล่าวไว้นะคะว่าทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือผู้ที่กระทาตามพระบัญชาของพระองค์และพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ4ี่ได้บอกไว้นะคะว่าบำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตมีนักธุรกิจคริสเตียนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไปเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่งและเขาก็ได้รับเชิญให้ลุกขึ้นกล่าวในพิธีต้อนรับ นักธุรกิจคนนี้นะคะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเขาเขาเร่มต้นกล่าวนะคะว่าข้าพเจ้าได้รับความสำเร็จในธรุรกิจมีบ้านใจโตมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินทองเหลือพอที่จะทำตามใจของตัวเองได้และก็ยังมีพอที่จะถวายงานคริสเตียนข้าพเจ้ามีสุขภาพที่ดีอนาคตยังสดใส และมีคนจำนวนมากที่ใฝ่ฝันจะเป็นเหมือนกับข้าพเจ้าและพระเจ้าจะต้องให้อะไรแก่ข้าพเจ้าอีกนะะหลังจากนั้นก็มีเสียงดังจากข้างหลังห้องประชุมมาตะโกนมาบอกว่าก็ความทอมใจนะสิพี่น้องคะบางครั้งชีวิตของเราเมื่อเรามีความสำเร็จหรือเมื่อเรามีปัญหามีความทุกข์ยากเรามักจะมองไม่เห็นพระเจ้าเรามักจะมองเห็นแต่ตัวเราเองเรามักจะมองเห็นแต่อุปสรรค มักมองเห็นแต่ปัญหาแต่เวลานี้พระเจ้ากำลังบอกกับเรานะคะว่าให้เราถ่อมใจของเราลงเพราะว่าความถ่อมใจของเราและความยังเปล่งพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและก็ชีวิตถ้าเราถ่อมใจของเราแล้วเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าส่งประทานให้กับเรานะคะประการที่สองนะคะสำหรับในบ่ายวันนี้ก็คือเราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะประการ น, นี้ก็สำคัญเช่นกันเมื่อเราถ่อมใจแล้วเราก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยพระธรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าและในข้อที่เก็บอกไว้นะคะว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระเจ้าทรงนาย่างเท้าของเขา พี่น้องคะแม้ว่ามนุษย์เราจะเก่งกล้าสามารถสักเพียงใดก็ตามนะแต่ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีขีดจํากัดมีขีดความสามารถที่เราเนี่ยทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างแม้เราจะมีความคิดนะคะจะตั้งแผนจะวางไว้อนาคตว่าจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้จะทําตั่นจะทํานี่แต่สุดท้ายถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็จะล้มเหลวและก็ไม่ประสบกับความสําเร็จพี่น้องเคยไหมคะเคยวางแผนไว้ไหม บางครั้งเราวางแผนอะไรหลายอย่างในชีวิตของเราจะทําตั่นจะทํำนี่แต่สุดท้ายก็ว่างเปล่านะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ชีวิตของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจากพระเจ้ามันก็จะสามารถทําให้ทุกอย่างประสบกับความสําเร็จได้เหมือนพระคมภีร์ที่ได้กล่าวไปนะคะได้บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของเราแต่คําตอบทุกอย่างมาจากพระเจ้าดังนั้นตัวเราเองต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในแต่ละครั้งเราต้องพึ่งพระเจ้าพี่น้องคะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเราดังนั้นพระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีและก็ทรงกําหนดชีวิตของเราได้ว่าจะให้ชีวิตของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรพี่น้องจําโยนาได้ไหมคะพระเจ้าใช้เขาแต่โยน า, นากับคิดว่าเขาไม่ต้องการจะไป พระเจ้าใช้ไปเมืองนินาเวย์โยนาหนีไปเมืองทาราชิตแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็นําโยนาเนี่ยให้กลับไปเมืองนินาเวย์จนได้แล้วก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าใช้โยนาให้ได้ชีวิตเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องบางครั้งเรามากักจะทําตามใจตัวทําตามความคิดของเราทําตามใจของเราเองโดยที่ความคิดนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าทุกอย่างมันก็ล้มเหลวแล้วก็ไม่ประสบกับความสําเร็จ แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีพระธรรมเยเรมีบทที่หนึ่งข้อห้าได้บอกไว้นะคะว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างเจ้าที่ในคันและก่อนที่เจ้าครอบจากคันเราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้พระกัมพีบอกกับเราอย่างชัดเจนนะคะว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะครอบจากคันมารดาพระธรรมสดุดีบทที่1 3ึ่ง้อยสามสข้อสิได้กล่าวไว้นะคะว่า เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาของข้าพระองค์พระเจ้าปั้นเราเข้าในคันมารดาพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีพระธรรมวิธีบทที่สิบข้อสาสิบได้บอกไว้นะคะว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพี่น้องเคยนับตัวเองไหมคะเคยนับผมไหมคะไม่ต้องนับบนศีรษะนะคะนับผมที่ร่วงบนพื้นก็ได้ เวลาที่เราหวีผมเวลาที่เราอาบน้ําสระผมผมเราร่วงเรามันนั่งนับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พระกรรมีบอกว่าผมของเราทุกเส้นพระเจ้าทรงนับไว้แล้วนั้นพระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีกัปปเจ้ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับพี่น้องฟังนะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามชนบทแล้วก็ถิ่นธุรกันดานเพื่ออยากจะรู้จักวิถีชีวิตของคนชนบทแล้วก็คนในท้องถิ่น เขาขับรถไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะกับบรรยากาศต่างๆกับธรรมชาติกับความสวยงามในสิ่งที่เขาได้พบแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นกับเขาก็คือรถที่เขาขับมาเนี่ยเครื่องยนต์กลับดับไปเฉยๆโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มคนนี้นะคะคิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับระบบหัวเทียนหรือว่าน้ํามันหมดแต่เมื่อเขาดูที่หน้าปัดเนี่ย ก็ยังโชว์นะคะว่าน้ำมันของเขาเนี่ยยังมีเหลือเฟือยังขับไปได้อีกตั้งไกลมากมายแต่ทำไมรถถึงดับชายหนุ่มคนนี้นะคะใช้เวลาซ่อมใช้เวลาขึ้นๆลงๆรถเนี่ยเป็นชั่วโมงแต่ว่าก็ไม่ติดสักทีเขาก็เลยนั่งพิงรถ ย, ย่างหมดหวังแล้วก็เบื่อหน่ายกับรถคันนี้เสือเกินนึกแช่งรถของตัวเองเนี่ยอยู่ในใจในขณะที่เขากาลังท้อแท้กับรถของตัวเองเนี่ย เขาก็มีเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยแล่นผ่านไปแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้คิดจะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะเขาสังเกตเห็นว่าคนที่ขับรถคันนี้ก็คือชายแก่คนหนึ่งเขาคงคิดว่าชายแก่คนนี้ยคงช่วยเขาไม่ได้แน่นอนแต่กลับผิดคาดนะคะชายแก่คนนี้จอดรถอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ลงจากรถไปหาชายหนุ่มคนนี้นะคะแล้วชายแก่เนี่ยก็ถามชายหนุ่มว่ารถเป็นอะไร ชายหนุ่มก็ตอบนะคะว่ารถเขาเสียเขาซ่อมเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมันไม่ติดสักทีชายแก่ก็เลยตอบถามต่อนะคะว่างั้นขอให้ลุงเนี่ยช่วยดูรถให้หน่อยได้ไหมชายหนุ่มก็ตอบเลยคะว่าโอ้ยลุงอย่าเลยครับอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าผมเนี่ยซ่อมมันเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ติดสักทีถ้าลุงจะกรุณาผมเนี่ยขับรถไปแล้วเจอร้านซ่อมรถเนี่ยช่วยบอกให้หน่อยดีกว่าเพื่อจะให้ร้านซ่อมเนี่ยมาดูร้รถของผม ะะชายแก่ก็ยังบอกชายหนุ่มต่อไปนะคะว่าเอาหนาะให้ลุงดูสักนิดหน่อยก็แล้วกันน ะ, ะชายหนุ่มก็บอกว่าเอา้าตามสบายเลยครับลุงลุงจะดูลุงจะแตะลุงจะแตะรถครั้งนี้ก็ตามสบายตามใจลุงแล้วกันนะคะชายแก่คนนี้เดินไปเปิดฝากระโปรงรถเขาจับนั่นแตะนี่นิดหน่อยแล้วบอกชายหนุ่มว่าเอา้าลองไปสตาร์ทรถดูสินะคะชายหนุ่มขึ้นไปสตาร์ทรถปรากฏว่าสตาร์ทแค่ครั้งเดียวรถติด ชายหนุ่มแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ถามชายแก่นะคะว่าลุงครับลุงเป็นช่างซ่อมรถหรือเปล่าทําไมลุงเก่งจังเลยเนี่ยชายแก่ก็บอกนะคะว่าถามชายหนุ่มคนนี้กลับนะคะว่ารถคันเนี้ยยี่ห้ออะไรพ่อหนุ่มชายหนุ่มก็ตอบว่ารถคันเนี้ยี่ห้อฟอร์ดครับชายแก่ก็เลยบอกนะคะว่าก็ลุงนี่แหละนายฟอร์ดซึ่งเป็นคนที่สร้างรถคันนี้ขึ้นมากับมือพี่น้องคะ คนสร้างรถนะคะผู้สร้างรถเขาจะรู้ทุกๆจุดของรถยนต์เป็นอย่างดีว่าหน้าเวลานี้รถยนต์เป็นอะไรพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเช่นเดียวกันค่ะพระองค์ก็ทรงรู้จักเรารู้จักทุกจุดของเรารู้ทุกส่วนของเราว่าเราเป็นยังไงนะคะเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าแม้กระทั่งผมทุกเส้นของเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วดังนั้นพระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี เราแต่ละคนก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเราทำอะไรได้ไม่หมดทุกอย่างเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือให้เราร้องขอพระเจ้าในโลกนี้นะคะมีอีกมากมายที่เราทำไม่ได้และก็ผู้เดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่16บข้อสาบอกไว้นะคะว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา เรามอบงานของเราไว้กับพระเจ้าแล้วแผนงานของเราจะได้รับการสถาปนานะคะอีกตอนหนึ่งสุภาษิตบทที่สิบเกข้อยี่สิบเอดบอกไว้นะคะว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่เชื่อว่าในเวลานี้พี่น้องแต่ละคนเนี่ยมีความคิดหลากหลายแล้วก็คิดวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตของเราแต่ละคนไว้แน่นอนนะคะแต่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะ ดำรงอยู่อย่างแน่นอนอีกตอนนึ่งค่ะสุภาษิตบทที่ยีสิบข้อยี่สได้บอกไว้นะคะว่าย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรย่างเท้าของเราพระเจ้าเป็นผู้สั่งเป็นผู้กําหนดเราจะเข้าใจทางของเราเองได้ยังไงเราต้องเข้าใจทางของพระเจ้านะคะสุดท้ายยารีมีบทที่ยี่ข้อสิอถึงสิบสาได้บอกไว้นะคะว่าพระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อจะวัตถิภาพไม่ใช่เพื่อสุขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะคะว่าพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้ให้กับเรา ดังนั้นเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ารับความช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตของเราก็จะได้รับพระพร<ฤ>ที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็จะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตของเราประการที่3ประการสุดท้ายสำหรับเราในบ่ายวันนี้นะคะก็คือเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะคะประการแรกบอกว่าเราต้องถ่อมใจประการที่สองเราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสุดท้ายค่ะ เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรมสองโครินบทที่เก้าข้อสิได้กล่าวไว้นะคะว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นที่เหลือจกพันลนาได้และหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อสินะคะจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายพี่น้องคะการแสดงความขอบคุณ เป็นเหมือนการแสดงความกระตัญยูรู้คุณรู้คุนของผู้ที่มีพระคุณต่อเราคําว่าขอบพระคุณนะคะมีความหมายถึงว่าเป็นคํากล่าวแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณเป็นคําที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกันหรือว่าผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่นะคะและความกตัญญูเนี่ยก็หมายถึงการรู้คุณนะหรือว่าหมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่างมีสติมีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนดังนั้นนะคะเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าน่นแสดงให้เห็นว่าเรารู้สำนึกในพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพี่น้องคะชีวิตของเราแต่ละคนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่แรกเริ่มที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์คู่แรกนะคะได้ทำบาปทำให้เราแต่ละคนเนี่ยเป็นเชื้อสายของความบาปมีความบาปติดตัวอยู่พระธรรมโรมบทที่สาข้อยีบสบาบอกไว้นะคะว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและก็โรมบทที่6 ข, อขอ้อ2 3บาก็บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายน ะ, ะถ้าจบแค่นี้เราทุกอย่างจบ ะะทุกคนทํำบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและเราเองเนี่ยก็รับค่าจ้างของความบาปก็คือความตายโทษของความบาปก็คือความตายเหล็กเดของความบาปก็คือความตายทุกอย่างถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ต้องอยู่ในความตายแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเรารับการชําระให้รอดพ้นจากความตายพี่น้องคะพระเจ้ารักเราทุกคนมากมายจนได้ประทานพระเยซูคริสต์พระ บ, บุตรองค์เดียวของพระองค์ เป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงรักมากมายรักมากแต่พระพระองค์ประทานมาให้กับเราให้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อจะช่วยเราเพื่อจะสั่งสอนเราและก็ชำระความผิดบาปของเราให้หายไปความผิดบาปของเราแม้จะสีแดงเข้มพระคัมภีร์บอกว่าก็จะขาวเหมือนหิมะแม้จะเข้มจัดเหมือนกับผ้าแดงก็จะขาวเหมือนคนแก่ พี่น้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกรู้สํานึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะเ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเราก็ต้องตายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายแต่ว่าพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องคะไม่มีใครจะรักเราได้มากเพียงขนาดมากเท่านี้แต่มีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นถามว่าพ่อแม่รักลูกรักมากเหมือนพระเจ้ารักเราไหมรักไม่มากเท่านั้น พ่อแม่ยอมตายเพื่อลูกได้ลูกยอมตายเพื่อพ่อแม่ได้แต่ถามว่าเราจะยอมตายเพื่อคนที่เราไม่รู้จักได้หรือเปล่านะซึ่งเราแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนอย่าว่าแต่ยอมตายแค่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกไตรตรองแล้วไตรตรองอีกแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน และพระเจ้าทรงยอมจะให้พระเยซูคริสต์มาตายบนกางเขนเพื่อเรา mm. เพื่อชําระเราสิ่งเหล่านี้แหะคะ่ะพี่น้องเราจึงต้องขอบพระคุณพระเจ้าย้อนกลับไปถึงชนชาติอิสราเอลความจริงผู้เขาต้องขอบคุณพระเจ้ามากกว่าที่จะบ่นต่อว่าพระเจ้าพวกเขาได้รับสิ่งดีมากมายจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยพวกเขามากมาแต่พวกเขากลับไม่เคยที่จะขอบคุณพระเจ้าเลยแต่สําหรับเราณนะเวลานี้ เราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าแล้วเราต้องรู้จักที่จะขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรมเอเฟซัสบทที่5้าข้อยีได้กล่าวไว้นะคะว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราขอบคุณสำหรับลมหายใจเราขอบคุณสำหรับชีวิต เราขอบคุณสําหรับสิ่งดีมากมายพี่น้องคะแต่ละวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเรามีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าบ้างหรือเปล่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้าไหมที่เรามีลมหายใจอยู่เราขอบคุณพระเจ้ามาที่พระเจ้านําเราในแต่ละวันเราขอบคุณสําหรับอาหารประจําวันของเราไหมเราขอบคุณในการเดินทางไหมเราขอบคุณในการมานมัสการพระเจ้าที่พริหารด้วยกันไหมตลอดทั้งชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่า หรือว่าพอเรามีปัญหามีอุปสรรคเราก็ไม่ขอบคุณพระเจ้าแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาตั้งปริฐานของเขาว่าในทุกๆวันของเขาเนี่ยเขาต้องขอบคุณพระเจ้าให้ได้นะคะตื่นเช้ามาวันนี้เขาขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขาสําหรับอากาศที่สดชื่นสําหรับอากาศที่สดใสนะคะเขาก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกจากบ้านเขาก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าสําหรับท้องฟ้าสําหรับสายลมสําหรับแสงแดดสําหรับดอกไม้สําหรับต้นหญ้ามากมายที่ ระหว่างทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาพบเห็นแล้วก็มายือนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปทํางานช น, นุมก็ขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งทางเดินของเขานะคะจากนั้นรถเมล์ก็มาจอดช น, นุมก็ขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งที่นั่งมีที่นั่งว่างสาหรับเขา <alk> เขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่รถเมล์มาถึงเร็วแล้วก็มีที่นั่งให้กับเขาได้ขึ้นนั่งอย่างสบายด้วยขับไปสักแป๊บหนึ่งนะคะรถเมล์ก็ไปจอดอีกป้ายหนึ่ง แล้วก็มีผู้คนมากมายเดินขึ้นรถแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่อ้วนฉุนชะมีเสื้อผ้าที่รกรุงรังมีผมเเผ้วที่อุ้ยดูแย่เหลือเกินขึ้นมาบนรถด้วยแล้วก็เผ อ, อิญมันนั่งข้างๆที่นั่งของเขาด้วยชายหนุ่มคนนี้มองผู้หญิงคนนี้แล้วเริ่มคิดในใจว่าเอ๊จะทํำยังไงดีจะขอบคุณพระเจ้ายังไงดีเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยรูปร่างอ้วนฉุนมากเสื้อผ้ามอมแมมมาก ผมเผภาที่รุงรังมากแล้วก็มีกลิ่นตัวที่เหม็นมากด้วยเขาคิดไปคิดมาคิดยังไงดีเขาเริ่มตะโกนบอกพระเจ้าดังๆว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาของผมพี่น้องคะแล้วเราล่ะคะตลอดชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้ายังไงบ้างมีเรื่องดีเราขอบคุณยังไงบ้างมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราขอบคุณยังไงบ้างสําหรับผู้ชายคนนี้แม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาก็ขอบคุณพระเจ้าได้ สำหรับเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเราก็สามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อหข้อได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสนิสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริส เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสนิสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองชีวิตของเราพี่น้องคะลองสํารวจตัวเราเองคะ่ะสํารวจชีวิตของเราว่าณเวลานี้เนี่ยชีวิตของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรเราเริ่มที่จะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้วหรือเปล่าขอเพียงแค่เรามีความทอมใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า และก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งสารพัดที่มีในชีวิตของเราข้าพเจ้าเชื่อแน่นอนนะคะว่าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราและพระพร อ, อนุดวงของพระเจ้าก็จะสถิตกับเราขอบพระเจ้าทรงอวยพรให้เราร่มใจกาฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคำในบ่ายวันนี้ที่ได้กระตุน้นเตือนสอนชีวิตของกาญโงงหลายทุกคน จะให้ครรลองายทุกคนนั้นได้มองเห็นเส้นทางเห็นทางชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ขอเพียงครรลองหลายทุกคนนั้นมีความทอมใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของครรลองหลายพระเจ้าก็จะทรงเปิดตาใจฝันทิวิญญาณที่ให้ได้มองเห็นเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางเพื่ออนาคตเพื่อสวัสดิภาพ เพื่อความมั่นคงและเพื่อจะนําสิ่งดีมากมายมาสู่ชีวิตของข้งาพรจ้าทุกคนพระบิดาเจ้าฝากมอบชีวิตของพี่ น, อน้องแต่ละคนไว้ภายใต้การทรงนําภายใต้การทรอวยพรที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ